แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าผีบอบสวยสยองช่วงยาเย็นใกล้พระเพพระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าฝูงนกพากันบินกลับรังมีลมพัดโชยมาเอ่ยเอเป็นบรรยากาศที่ชวนวังเวงของชาวบ้านในหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลนักถึงแม้จะได้ยินเสียงของรถไฟวิ่งผ่านไปมาบ้างแต่ก็ยิ่งทาให้รู้สึกปดหูใจ และเงียบเหงามากยิ่งขึ้นเนื่องจากหนุ่มสาวในหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมก็มักจะไปเรียนต่อในเมืองหรือไปทํางานทําให้หมู่บ้านยิ่งเงียบเหงามีเพียงเด็กเล็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่และญาติๆที่ยังทํางานอยู่ในพื้นที่เท่านั้นและเมื่อได้ยินเสียงรถไฟทําให้หลายครอบครัวอดที่จะคิดถึงลูกหลานของตัวเองที่เดินทางจากบ้านไปเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดก็เข้ามาแทนที่ในสมัยนั้น แม้ว่าจะมีแสงไฟจากไฟทางและไฟหน้าบ้านของแต่ละบ้านแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆในความมืดได้ชัดเจนมากนักบ้านแต่ละหลังจึงพากันปิดบ้านตั้งแต่ยังไม่ทันจะทุ่มนึงถ้าไม่มีเหตุจําเป็นหรืองานเทศกาลก็จะไม่มีผู้คนออกจากบ้านในยามค่า ม, มืดเช่นเดียวกันกับที่บ้านของยายบัวมักจะไปเที่ยวบ้านยายช่วงปิดเทอมเสมอเพราะจะได้ไปเล่นกับเพื่อนๆที่บ้านอยู่ใกล้กันพอเริ่มมืดก็ปิดบ้านทันทีและตั้งวงเล่า น, นิทานให้บัวและรุ้ง ยายที่รุ่นราวคราวเดียวกับบัวฟังส่วนคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างน้าของบัวก็จะเข้าห้องไปดูโทรทัศน์หรือทํางานอย่างอื่นที่อยู่ภายในบ้านเป็นอย่างนี้ทุกๆคืนคืนนี้บัวจึงถามยายว่าทำไมคนในหมู่บ้านถึงปิดบ้านกันเร็วไม่มีคนออกมาพูดคุยหรือนั่งเล่นข้างนอกบ้านกันเหมือนกับที่อื่นๆ อ, อย่างที่บ้านของบัวช่วงเวลานี้ผู้คนยังเดินไปมากันพลุบพล่านอยู่เลยยายก็บอกว่าที่นี่ตอนกลางคืนมันจะมืดมากเพราะไฟทางมีน้อย เไฟบางต้นก็ไม่มีไฟแต่ถึงจะมืดยังไงก็ยังมีคนไปมาหาสู่กันตอนกลางคืนเหมือนที่อื่นๆหลังจากที่มีคนย้ายเข้ามาอยู่กันมากขึ้นจนอยากจะย้ายเข้ามาทํางานกันเพราะที่นี่จะมีโรงเรียนสถานีรถไฟถัดไปไม่ไกลนักก็มีตลาดและในหมู่บ้านมีพื้นที่ทําสวนทําไร่เลี้ยงวัวก็เลยมีลู่ทางทํามาหากินหลายทางทําให้คนย้ายเข้ามาทํางานกันมากหลังจากที่มีผู้คนจากต่างถิ่นย้ายเข้ามาทํางานก็มีคนเล่าลือกันว่า มีปอบออกมากินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นวัวไก่แพะที่ชาวบ้านปล่อยทิ้งไว้ใต้ต้นไม้หรือกลางทุ่งนาคนที่เห็นปอบเป็นเจ้าของวัวแต่ก็เห็นไม่ชัดว่าเป็นใครเพราะมันมืดมากแต่ก็พอจะเดาได้ว่าต้องไม่ใช่คนแน่นอนเพราะสภาพที่เห็นนั้นไม่เหมือนคนเลยตั้งแต่นั้นมาเลยไม่มีใครออกมานอกบ้านและสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงถ้าเป็นสัตว์เล็กๆก็จะเอาไว้ในบ้านถ้าเป็นวัวควายก็จะทำํำคอกไว้อย่างมิดชิด แต่ก็มีชาวบ้านที่ไม่เชื่อเรื่องปอกคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ร้ายหรือขโมยที่จ้องจะมาขโมยวัวของชาวบ้านจึงคิดที่จะจับขโมยและวางแผนด้วยการเอาวัวไปปล่อยไว้กลางทุ่งและไปรอซุ่มดูพร้อมด้วยอาวุธทั้งมีดและปืนรอเวลาที่ขโมยจะออกมาเมื่อถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนสิ่งที่ชาวบ้านที่ไปรอดูก็โผล่มาและกําลังตรงไปทางวัวที่กําลังนอนอยู่กลางทุ่งชาวบ้านจึงออกมาจากที่ซ่อนตัวเพื่อจะจับขโมย แต่ภาพที่เห็นตรงหน้ากลับไม่ใช่โจรขโมยวัวทั่วไปพวกเขาเห็นเหมือนตัวประหลาดที่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมีฟันแหลมคมแม้ร่างกายจะเหมือนคนก็ตามตัวประหลาดที่ชาวบ้านเรียกว่าปอบนั้นเมื่อเห็นชาวบ้านที่มาเจอก็รีบหนีและได้หายไปในความมืดมีเจ้าของวัวคนหนึ่งชื่อตาบังวัวของแกถูกกินตายไปหลายตัวแกแค้นมากถือปืนวิ่งตามปอบไปในความมืดยังไม่ทันที่ชาวบ้านจะวิ่งไปสมทบก็ได้ยินเสียงแกร้อง ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงแกร้องด้วยความเจ็บปวดรีบวิ่งไปหาแกทันทีและภาพที่เห็นแกนอนอยู่บนพื้นมือกุมแขนเลือดออกเต็มตัวไปหมดกำลังร้องด้วยความเจ็บปวดชาวบ้านรีบพาแกไปส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองทันทีได้ยินมาว่าแกถูกปอบกัดแขนและติ่งหูทำให้ติ่งหูขาดหมอสันนิษฐานว่าแกถูกหมากัดแกบอกว่าแกโดนปอบกัดหมอหาว่าแกเพ้อเจ้อหมอเลยให้ยาระงับประสาทมาเพิ่มด้วยพอแกออกมาจากโรงพยาบาล ลูกหลานแกก็เลยพาแกย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้านของแกก็ถูกขายไปชาวบ้านจึงสันนิษฐานว่าคนที่เป็นปอบคือผู้หญิงท้ายหมู่บ้านที่ชื่อวันเป็นหญิงวัยกลางคนแต่ก็ยังสาวและสวยกว่าคนในวัยเดียวกันเธอเลี้ยงวัวและชอบพาวัวออกมากินหญ้าแถวแถวบ้านนั่นแหละเวลาใครทักก็ไม่ค่อยจะพูดกับใครเวลาคุยก็ไม่ศบตาคนชาวบ้าน ล, ลือกันว่าวัวที่แกเลี้ยงแกเอาไว้กินตับไตไส้พุงสด เดี๋ยวนี้เลยไม่ค่อยได้ข่าวว่ามีปอบออกมาหากินและบ้านของวันเองก็ตั้งอยู่ห่างไกลจากบ้านหลังอื่นๆไม่ค่อยสุงสิงกับใครตั้งแต่นั้นมาทุกบ้านก็ปิดบ้านตั้งแต่หัวค่าและไม่มีใครออกมา ท, ทําธุระนอกบ้านเลยถ้าไม่จําเป็นพอฟังยายเล่าจบบัวและรุ้งก็กลัวมากรีบเข้านอนทันทีพอรุ่งเช้าพระอาทิตย์ขึ้นความกลัวจากเรื่องที่ยายเล่าเมื่อคืนก็เหมือนจะหายไปหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จบัวรุง้งและบี สามก็พากันวิ่งเล่นทั่วหมู่บ้านการประสาเด็กจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆร่มรื่นน่าอยู่มากบี B. บอกว่าเป็นบ้านของครูพิมพ์ที่สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวๆสถานีรถไฟในขณะที่ทั้ง3ามกำลังจะเดินกลับไปเล่นต่อประตูบ้านก็เปิดออกพร้อมกับผู้หญิงที่หน้าตาสวยผิวขาวปากแดงที่เป็นเจ้าของบ้านที่บีบอกว่าเป็นครูนั่นแหละและครูพิมพ์ก็ชวนพวกเขาทั้งสเข้าไปกินขนมในบ้านเมื่อเดินเข้าไปภายในบ้าน ครูพิมพก็เอาขนมและน้ำหวานมาให้พวกเรากินครูเป็นคนใจดีมากและคุยสนุกมากด้วยพวกเราชอบมองหน้าครูเพราะครูสวยพวกเรานั่งเล่นจนอยู่ที่บ้านครูพิมพจนถึงตอนเย็นพวกเราจึงขอลาครูพิมพกลับบ้านก่อนที่จะกลับครูพิมพได้บอกให้พวกเรากลับไปเที่ยวอีกนะพวกเรารับปากว่าจะกลับไปอีกแน่นอนจากนั้นบัวรุง้งและบีต่างก็ออกาจากบ้านครูพิมพและเดินกลับบ้านตอนเดินออกมาจากประตูรั้วบ้านของครูพิมพ ระหว่างทางที่เดินกลับมันมีบรรยากาศที่วังเวงรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเมื่อกลับถึงบ้านยายก็ต่อว่าบัวและรุ้งเพราะหายกันไปทั้งวันจากนั้นเป็นต้นมาเราทั้งสามคนก็พาไปเที่ยวที่บ้านครูพิมพเกือบทุกวันและ ว, วันนี้ก็เป็นอีกวันพวกเรานัดกับครูเอาไว้ว่าจะไปเที่ยวที่บ้านครูขณะที่บัวรุ้งและบีกําลังเดินไปบ้านครูพิมพ์นั้นก็มีกลุ่มเด็กชายและเด็กหญิงที่โตกว่าพวกเราสักสองปี ได้ชวนพวกเราไปดูบ้านผีปอบที่ชื่อวันด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นของพวกเราจึงตกลงไปด้วยกันระยะทางนั้นถือว่าไกลพอสมควรและระหว่างทางก็มีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเมื่อมาถึงหน้าบ้านที่ชาวบ้านร่าลือกันว่าเป็นผีปอบเด็กผู้ชายที่มาด้วยบอกให้พวกเราไปแอบที่พุ่มไม้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งความก้อนหินไปที่บ้านหลังนั้นทันใดนั้นเองประตูก็เปิดออกพร้อมกับหญิงวัยกลางคนเดินออกมาในมือถือมีดอิโต้มีเลือดเปื้อนเต็มมือไปหมด พวกเราทั้งหมดต่างพากันร้องด้วยความตกใจและวิ่งหนีออกจากบริเวณบ้านหลังนั้นเหมือนเพ้่งแตกรังบัวรุ้งและบีวิ่งไปถึงบ้านครูพิมพ์พวกเรารีบเคาะประตูเรียกครูพิมพ์ครูพิมพ์เปิดประตูออกมาเห็นท่าทางที่เหนื่อยหอบจากการวิ่งและสีหน้าที่ตื่นตกใจของพวกเราครูจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ครูฟังครูหัวเราะและถามว่าทําไมต้องกลัวขนาดนั้นเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของครู ทำให้บัวกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกครูบอกให้เรียบเข้ามาในบ้านเมื่อเข้าไปภายในบ้านครูยกน้ำหวานและขนมมาให้พวกเรายกน้ำขึ้นมาดื่มบัวดื่มน้ำด้วยมือที่สั่นมากทำให้น้ำกระเด็นออกจากแก้วพวกเราคุยกับครูจนกระทั่งถึงตอนเย็นและเตรียมตัวจะกลับแต่ฝนกระดันตกลงมาครูบอกให้พวกเราค้างที่นี่แต่ใจของบัวอยากกลับบ้านเพราะอะไรก็บอกไม่ถูกจึงขอแค่หลบฝนชั่วคราวพอฝนหยุดตกก็จะกลับบ้าน แต่ฝนกลับตกหนักขึ้นกว่าเดิมและนี่ก็มืดมากแล้วด้วยใจหนึ่งก็กลัวว่าขากลับระหว่างทางถ้าเจอปอบพวกเราจะทํำยังไงแต่ถ้าจะค้างที่นี่บัวก็รู้สึกกลัวทั้งทัที่ครูพิมพ์ก็ออกจะใจดีครูบอกให้เข้าไปกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวครูจะทํากับข้าวให้กินบรรยากาศในบ้านครูตอนกลางคืนช่างหวังเวงเยี่ยมเหงาแตกต่างจากตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงรุมถามครูว่าครูอยู่คนเดียวไม่กลัวปอบที่เข้าลือกันหรือคะครูบอกว่า ครูไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็หัวเราะแล้วถามพวกเราว่าเชื่อเรื่องปอบอย่างที่เขาเลือกันหรือเปล่าทุกคนเงียบไม่มีใครตอบอะไรทั้งสิ้นแล้วจูๆ่ๆไฟในบ้านก็ดับลงครูพิมพ์เดินไปจุดเทียนรอบบ้านโดยมีพวกเราคอยช่วยมีบอกครูพิมพ์ว่าหิวแล้วครูบอกให้พวกเราไปนั่งรอบนพรมก่อนครูก็ไปทํากับข้าวในครัวฝนข้างนอกก็ยังคงตกหนักอยู่แล้วจูๆ่ๆประตูห้องเก็บของก็เปิดออกเพราะลมที่แรงมาก แปลกที่วันนี้ครูพิมพไม่ได้ล็อกเอาไว้บีจุดเทียนเดินไปเพื่อจะปิดประตูห้องเก็บของแต่ก็ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นบัว ก, กับรุ้งจึงเดินไปดูภายในห้องมีหิ้งบูชาอะไรสักอย่างเป็นเหมือนกล้วยดอกไม้ในห้องสะอาดไม่มีของรบกรุงรังอย่างที่ครูพิมพ์บอกสัญชาติยานบอกว่าไม่ควรจะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วพวกเราจึงตกลงกันว่าจะวิ่งตากฝนกลับบ้านกันนี่แหละแต่ควรไปบอกครูพิมพก่อนพวกเราจึงเดินไปที่ครัวที่ครูกําลังทํากับข้าวอยู่ แต่ก่อนที่จะเรียกครูพิมพ์เพื่อบอกว่าพวกเราจะลากลับพวกเราเห็นครูพิมพ์กําลังทําอะไรบางอย่างแต่ก็เห็นไม่ถนัดเพราะครูหันหลังให้พวกเราแต่รู้ว่าครูถือสิ่งหนึ่งไว้ในมือทั้งสองข้างและทํำท่าเหมือนกําลังกินอะไรบางอย่างรุ่งจึงเรียกครูพิมพ์เพื่อจะบอกลาทันใดนั้นครูพิมพ์หันมาทําให้พวกเราตกใจกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าถึงแม้ว่าจะมีแค่แสงเทียนแต่ก็ทําให้เห็นชัดว่าครูพิมพ์ไม่ใช่ครูพิมพ์คนเดิม แต่เป็นตัวประหลาดหน้าตาน่าเกลียดมีฟันแหลมคมกำลังกัดกินของสดๆที่อยู่บนมือเลือดเปื้อนปากและมือครูเต็มไปหมดเมื่อครูพิมพ์เห็นพวกเราก็ยิ้มและหัวเราะและกวาดมือเรียกพวกเราเข้าไปพวกเราร้องกรี๊ดด้วยความตกใจสุดขีดและวิ่งออกไปจากบ้านครูพิมพ์ทันทียังไม่คิดชีวิตครูพิมพ์วิ่งตามออกมาและหัวเราะอย่างบ้าคลั่งตามหลังเรามาตลอดเราไม่รู้ว่าวิ่งถึงบ้านของบีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มารู้ตัวอีกทีก็นอนกรุมโปงกันอยู่ที่ห้องบี พอรุ่งเช้ายายจึงมาตามที่บ้านของบีพวกเรากลัวจนจับไข้ยายและแม่ของบีพาพวกเราไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าเป็นไข้เนื่องจากไปเล่นน้ําฝนกันมาพอหายไข้กลับมาบ้านรุ่งก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายฟังแต่ยายก็ไม่เชื่อหาว่าพวกเราหนีไปเที่ยวมากกว่าส่วนบัวไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเพราะกําลังช็อกและไม่อยากนึกถึงมันอีกได้ข่าวว่าครูพิมพ์ได้ย้ายไปสอนที่อื่นแล้วพวกเราไม่รู้ว่าผู้หญิงที่ชื่อวานเป็นปอบอย่างที่ลือกันหรือเปล่า แต่ที่รู้คือครูพิมพ์เป็นปอบแน่นอนไม่รู้ว่าป่านนี้ครูพิมพ์จะย้ายไปสอนที่ไหนบางทีอาจเป็นโรงเรียนแถวบ้านของคุณก็ได้นะหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ